แล้วก็เก็บสั ญ, ญลักษ์ไว้ในใจนี้เมื่อพูดอีกนายะหนึ่งก็คือการถ่ายสั ญ, ญลักษ์แล้วเก็บไว้ในใจนั่นเองลักษณะ น, นี้เกิดพร้อมกับจิตทุกขณะ